สมภัสสยองโต๊กเครื่องแป้งโบราณเกดได้ไปเดินตลาดนัดเปิดท้ายซึ่งเป็นตลาดนัดขายของมือสองเธอเดินดูร้านนั้นร้านนี้ไปเรื่อยๆจนเดินมาถึงร้านขายเฟอร์นิเจอร์ไม้แห่งหนึ่งซึ่งที่นี่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 เกศในตอนนี้นั่งตัวเกร็งสัน่นน้าตาค่อยๆไหลาอาบสองแก้มปากสันระริกด้วยความกลัวสุดขีดแล้วจู่ๆร่างของผู้หญิงคนนั้นก็หันมาทางเกศที่นั่งอยู่แล้วยิ้มให้เกศแต่รอยยิ้มนั้นเต็มไปด้วยความน่ากลัวเย็นยือเยือกจับใจเพราะเธอนั้นยิ้มแบบปากฉีกยาวมาถึงหู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 สัมัสยอง